เมื่อถึงขั้นนี้แล้วท่านว่ามันยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสอย่างหนักขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมีน้ำหนักเท่าๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้การต่อสู้ห้ามหันระหว่างธรรมกับกิเลส ถึงไม่มีวันที่จะยอมแพ้กันได้เลยท่านเล่าอย่างถึงใจว่ามันก็พุ่งน่ะสิมีแต่ว่าตายเท่านั้นเรื่องแพ้ไม่พูดเลยแพ้ก็ต้องแบกหามลงเปลไปเลยที่จะให้ยกมือยอมแพ้นั้นไม่มีซัดกันขนาดนั้นถ้าได้ลงทางจงกรมแล้วมันไม่รู้จักหยุดไม่ว่าเวล่ำเวลา ร้อนหนาวมันไม่ได้สนใจคือจิตมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้ออกนะออกไปตามดินฟ้าอากาศนี้ไม่ได้ออกไปหาร่างกายนี้วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ออกมันฟัดกันอยู่ภายในเหมือนนักมวยเข้าวงในว่าเงนินถะนะใครจะไปสนใจเรื่องความเจ็บความปวดมันไม่สนใจนะ อันนี้กิเลสมันเข้าวงในนะระหว่างธรรมกับกิเลสฟัด ก, กันวงในมันเป็นอย่างนี้หมุนติ้วติ้วเหมือนจงกรมตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดตอนเย็นนะมันเดินได้ยังไงคือมันไม่รู้เวล่ำเวลาจนกระทั่งเวลาหยุดจากทางจงกรมแล้วมองเห็นกาลนามนี้มันจะตายเลย มันไม่ได้กินน้ำโดดควา้ากาน้ำมารินนี้กลืนนี่โหกลืนไม่ทันสาลักกักกักกักเวลามันฟัดกันนี่ไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเวลาออกมาแล้วมาเห็นกาณ้านี่สิโอ้โหโดดใส่เลยเชียวนะมันจะตายแหมมันขนาดนั้นนะ่ะ เราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแหละพอมาถึงที่พักถึงรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยตากฝนเดินจงกรมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับครึ่งแล้วก็มัดผูกบนศรีรษะนี้ แล้วก็มาผูกใส่คางเหลือแต่ตาเดินจงกรมกลางแช่งทีเดียวบนไร้ร้ า, รางสวนร้างเขาเอากันอยู่นั่นไม่มีร่มเลยร่มไม่ร่มช่างหัวมันฟาดลงนั้นเลยทำได้นะไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเลยเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจนี่ แล้วไม่ใช่เดินอยู่วันหนึ่งวันเดียวด้่นซีมันเป็นประจำของมันอย่างนั้นพอเข้าทางจงกรมแล้วเท่านั้นแหละไม่มีเวล่ำเวลานาทีมายุ่งกวนมีแต่อันนี้ฟัดกันอยู่ภายในหมุนติ้วติ้วเราก็เดินก็เดินไปอย่างนั้นหละแต่ทางนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเดินสเปกสปะไปตามเรื่องของมัน นี่เดินไม่หยุดสิวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินเดินหลายวันต่อหลายวันเดินชงกรมไม่รู้จักหยุดไม่รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอยู่นี้เดินไปบางทีเดินจงกรมนี้โน่นเซซักเข้าไปในป่านโน่นโรมครามในป่านโน่นเพราะจิตมันไม่ออก ตาก็มืดมัวไปหมดนะสี่มีแต่ขาก้าวไปก้าวไปก็เข้าไปโน่นแล้วออกมาอีกทีเขาอีกอยู่งั้นคำว่าน้ำท่าอะไรอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นตะลุมบอนกัน